คําถามคำตอบปัญหาธรรมของหลวงปู่การเทศนาสั่งสอนประชาชนพระเนนท่านก็สอนมามากต่อมากการโต้อตอบปัญหาข้อความใจที่มีผู้มาถามท่านก็ตอบเพื่อความเข้าใจแก่ประชาชนพระเนนมามากต่อมากเช่นเดียวกันอันดับต่อไปนี้จึงขอนําปัญหาคําถามคําตอบของท่านมาลงในที่นี้พอประมาณโปรดอ่านด้วยความพิจารณาหาสาระซึ่งอาจจะเกิดประโยชน์เท่าที่ควรถามหลวงปู่ครับขอประทานโอกาส ถามปัญหาปู่พอหายกังวลบ้างฟังเทพปู่ก็ฟังมามากพอควรแต่ยังไม่เคยถามปัญหาข้อคงใจใดๆกับหลวงปู่บ้างเลยจึงขอกราบเรียนถามว่าได้ทราบจากเขาเล่าให้ฟังว่าหลวงปู่เคยสร้างวาสนาบา ร, รมีมามากใช่ไม่ปู่ตอบจะว่าใช่กว่าใช่ถ้าจะไปหาแง่หาเรื่องราวว่าปู่คุยโม้นะส่วนมากโลกว่างแสหาโทษมากกว่าหาคุณธรรมที่คุรหากัน ปู่จึงไม่อยากคิดและพูดในเรื่องสมองนี้กลัวคนเป็นโทษแทนที่จะเป็นคุณหลานถามเพื่อเข้าใจประดับใจจริงๆปู่กรุณาโปรดสัตผู้ยากจนเถิดถ้าอย่างนั้นก็เชิญถามมาจะเล่าให้ฟังเท่าที่พอเล่าได้ถามดังที่กราบเรียนถามแล้วว่าได้ทราบมาว่าปู่เคยสร้างวาสนาบารมีม า, มามากใช่ไหมตอบใช่เชื่อแน่ว่าได้สร้างมาม า, มากพอควร ทางโลกเคยเป็นเศรษฐีกุฎุมพีมามากต่อมาตลอดเคยเป็นพระราชามหากษัารก็เคยเป็นมาหลายชาติจนไม่อาจพนานาให้จบสิ้นในความเป็นมาของตนได้ฉะนั้นการท่องเที่ยวในวัตาสงสารเกี่ยวกับการเกิดการตายปู่จึงไม่สงสัยและเบื่อเต็มประดาจึงได้ออกบวชเพื่อสแสวงหาความพ้นจากการเกิดตายอันเปรียบเหมือนเรือนจําขังสรรับผู้ตงโทษถามแต่ในชาติปัจจุบันนี้ทำไมปู่จึงมาเกิดในสกุลชาวนา ที่โลกปัจจุบันถือกันว่าเป็นสกุลต่ำต้อยด้อยศักดิ์ทั้งหน้าที่การงานตลอดผลรายได้ก็ต่ำต้อยน้อยหน้าไม่ทัดทีมเขาไม่สมกับเป็นสกุลที่เลี้ยงหนุนคนทั้งแผ่นดินให้มีชีวิตลมหายใจอยู่ได้ตลอดมาบ้างเลยทําไมปู่จึงไม่ไปเกิดในสกุลพ่อค้ามหาเศรษฐีมีเงินมากๆและไปเกิดในสกุลเจ้านายผู้สูงศักดิ์ทรงอํานาจวาสนาวาจาสิทธิขาดคนขยาดกันทั่วดินแดนเล่าปู่ตอบอันสกุลที่ว่าสูงหรือต่ำนั้น บรรดาสัตว์โลกผู้อยู่ใต้อำนาจกฎแห่งกรรมย่อมมีทางเกิดได้ด้วยกันอย่าว่าแต่ปู่คนเดียวเลยแม้แต่พบชาติสูงต่ำนั้นเป็นสายทางเดินของสัตว์โลกผู้มีกรรมจำต้องเดินต้องผ่านเหมือนกันหมดคนมีวาสนามาหากก็ผ่านคนมีวาสนาน้อยก็ผ่านพบกำเนิดสกุลต่างๆดังกล่าวมาเช่นหลานเป็นพระเจ้าฟ้าเจ้าคุณมีบุญหนักสักดิใหญ่หลานจากที่นี่ไปกรุงเทพโดยเท้าก็ดีด้วยรถยนต์รถไฟก็ดี ด้วยเรือเหาะเรือบินก็ดีหลานจำต้องผ่านดินฟ้าอากาศเย็นร้อนอ่อนแข็งที่สูงสูงต่ำๆซึ่งมีอยู่ตามรายทางเรื่อยไปจนถึงจุดที่หมายคือกรุงเทพโดยไม่อาสงสัยการเกิดในสกุลสูงสูงต่ำๆตลอดพบชาติต่างๆกันนั้นสัตว์โลกเกิดตามวารกรรมของตนมาถึงแม้จะทรงบุญหนักศัก์ใหญ่แต่เมื่อถึงวรกรรมของตนที่ควรจะสวยอย่างไรก็จำต้องสวยตามรายทางคือพบชาตินั้น เท่าที่ปู่มาเกิดในสกุลชาวนาปู่ก็ไม่เสียอกเสียใจไม่น้อยเนื้อต่ําใจเพราะปู่ถือว่าปู่มาเกิดตามวารกรรมของปู่เองปู่จึงไม่ตําหนิติเตียนบิดามารดาผู้ให้กําเนิดตลอดญาติมิตรพี่น้องที่เกิดร่วมและใกล้ชิดสนิทกันมาว่ามาให้โทษปู่มันเป็นกรรมของใครของเราดังทำท่านสอนไว้ไม่มีผิดไม่มีที่คัดค้านปู่ยอมรับทำท่านอย่างซึ้งใจไม่มีวันถอนเลยวงเล็บเปิด มีคนแทรกถามในเวลาเดียวกันอีกเยอะแยะแต่จะไม่ขอแยกบุคคลองเล็บปิดถามปูก็โลกเขาว่าสกุลชาวนาเป็นสกุลต่ำนี่หลานถึงไม่อยากให้ปูมาเกิดอยากให้ปู่เกิดในสกุลสูงๆกว่านี้แ ล, ล้วหลานจะได้ภูมิใจตอบภูมิใจบ่าวบา บ, าบาอะไรสกุลชาวนานั้นมันต่ำต้อยที่ตรงไหนคนทั้งโลกได้อาศัยข้าวในท้องนาของชาวนาตลอดมาจึงพยุงชีวิตร่างกายมารอดไม่ใช่หรือ ที่ถูกตามความจริงควรชมเชยว่าสกุลชาวนาคือสกุลเลี้ยงโลกคือสกุลพ่อสกุลแม่ของมนุษย์ทั้งโลกด้วยความเป็นคนกระตันยูรู้บุญรู้คุณของสิ่งเลี้ยงดูของผู้เลี้ยงดูแล้วสกุลชาวนานั้นตามที่ตรงไหนรองว่ามาสิงานในโลกนี้งานอะไรจะทุกข์ลำบากยิ่งกว่างานทํานาคลาดไถ่าโตกล้าปักดาเก็บเกี่ยวรักษานาด้วยการเปิดน้ําปิดน้ําทําคลองส่งน้ํา ไม่ได้หลับตื่นลืมตาตลอดฤดูการทำนานับแต่เริ่มลงคราดไถจนถึงตีถึงฟาดนวดตลอดขนขึ้นใสยุ้งใสช้างอันเป็นวาระสุดท้ายแห่งมหันตทุก ข, ของสกุลชาวนาใครจะอดจะทนขยันมันเพียรบึกเบือนยิ่งกว่าชาวไร่ชาวนาชาวสวนเหล่างานใดที่ดีเด่นพอจะนำมาคุยอวดงานทำนาทาไร่ทำสวนการเพราะปลูกต่างๆซึ่งล้วนเป็นงานที่ต้องใช้ความอดความทน ความบึกบึนกว่า ง, งานใดๆของโรกมนุษย์หิวก็ยอมทนกระหายก็ยอมทนทุกขนาดไหนก็ยอมอดยอมทนหลังสู้ฟ้าสู้ฝนหน้าสู้ตมสู้โคลนทนร้อนทนหนาวทนแดดทนฝนชนิดตกนรกทั้งเป็นกว่าจะได้เข้าเปลือกเปือกมันมาเลี้ยงคนทั้งโลกร่างกายแทบวันไหลจิตใจเหียวหอชนิดพูดไปออกบอกไปถูกทั้งสิน้นแล้วจะไปชมใครผูดด้ใดว่าเก่งกว่าพวกชาวไร่ชาวนาเหล่านี้ จะควรตำหนิว่าชาวนาเป็นสกุลต่ำที่ตรงไหนถ้าตำหนิว่าเขาต่ำจริงเราคนสกุลสูงและสูงสูงก็งงอย่ากินข้าวและเผชิกมันของเขาสิมันจะเสียเกียรติของคนลืมตนเย่อหยิ่งปล่อยให้ตายเสียจะได้ไม่หนักโลกของชาวนาที่หาข้าวมาให้กินกินแล้วไม่รู้จักบุญคุณยกย่องส่งเสริมกันนี่คือมนุษย์ประเภทลืมตัวมั่วความเย่อหยิ่งจองหองลําพองตนอย่าถือมาเป็นอารมณ์ให้หนักใจ จงถือท่านผู้ดีมาเป็นคติตัวอย่างจะไม่เสียทางเดินเพื่อความเป็นคนดีของโลกที่ยังต้องการคนดีอยู่มากมายถ้ามีแต่คนประเภทลืมตัวมั่สูมกับสิ่งทำลายสังคมโลกต้องโกลาหนวุ่นวายและฉิบหายวายปวงได้ไม่สงสัยถามเท่าที่ปู่มาเกิดในสกุลชาวนาในชาตินี้ปู่พอใจยอยู่หรือมองมองดูปู่แล้วไม่เห็นทะเยอทะยานกับอะไรนี่มากราบเมื่ อ, อไรฟังปู่ เหตุโปรตีไรเห็นมีแต่ความยิ้มแย้มแจ่มใสเมตตาสงสารลูกหลานตลอดจึงคิดในใจอยากกราบถามบ้างว่าปู่ยังอยากเกิดในสกุลสูงกว่าสกุลชาวนาอยู่หรือเปล่าตอบคราวเป็นคราว่าดมันก็คิดบ้าว่าเหมือนโลกตื่นลมเขาเหมือนกันว่าตนเป็นลูกชาวนาวาสนาน้อยคิดอยากเป็นเจ้าเป็นนายกับเขาเหมือนกันอย่างน้อยได้เป็นครูสอนนักเรียนก็ยังดีแต่เราคนจนหาเลี้ยงแม่เลี้ยงน้อง พอรู้สึกตัวว่ามีฐานะยากจนไม่มีเวลาเรียนและไม่มีทุนเรียนหนังสือดังนี้แล้วก็หยุดคิดหยุดกังวลใจกับเรื่องนี้พอมาบวชปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆความรู้สึกกับธรรมเริ่มซึมซาบเข้าถึงการเวลาเล็กระน้อยความที่เคยคิดว่าตนเป็นคนอภพวัตนาเป็นลูกชาวนาก็ค่อยๆหายัยหายไปจนกลายเป็นความรู้สึกว่าจะเกิดในสกุลใดก็คือสกุลมนุษย์ ที่ต้องตะ ก, กิยกตะ ก, กายหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเพื่อความอยู่รอดเหมือนเหมือนกันไปเรื่อยๆตราบเท่าทุกวันนี้ซึ่งแก่มากแล้วมันเลยมีความรู้สึกเป็นคนละโลกและรู้สึกไปในแง่ที่โลกเขาไม่ค่อยคิดหรือไม่คิดกันเสีแล้วทุกวันนี้ถามคิดอย่างไรล่ะปู่คณะหลานอยากฟังปู่เมตตาด้วยตอบเพียงแต่ธาตุขันซึ่งรับผิดชอบมาแต่วันเกิดรู้เรียงสาภาวะเรื่อยมาแต่ต้นพบชาติพอมาถึงเดี๋ยวนี้ มันก็รับผิดชอบกันไม่ได้อยู่แล้วว่ามาให้หกให้ล้มมันก็หกก็ล้มก็ซัดก็เซก็หกคเมนเทนเทหเห็นอยู่ทุกเวลาต่อหน้าต่อ ต, อตาต้องเป็นภาระของคนอื่นช่วยดูแลรักษาตลอดอิรยาบทจนถึงวันสุดท้ายคือแตกสลายของขันนี้แล้วจะให้ปู่ทถเยอทยานเหาะเหินเดินเมฆไปยินดีอยากได้สมบัติเงินทองสวรรค์วิมานที่ไหนอีกซึ่งล้วนแต่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจะพังทลายด้วยกันทั้งสิน้น ที่ไหนไม่อยู่ใต้อำนาจของกฎอนิจจังทุกขังอนาัตตานี้ปู่ต้องการและยินดีกับที่นั่นเท่านั้นทุกวันนี้ถามที่ไม่อยู่ใต้อำนาจของกฎอนิจจังทุกขังอนาัตตานั้นมันคือที่ไหนล่ะปู่หลานก็อยากไปเหมือนกันนี่ตอบเพียงจะบอกให้ไหวพระสวดมนต์ภาวนาบ้างอย่างน้อยเวลาจะหลับนอนยังพากันขี้เกียจก็ที่นั่นที่ไม่มีกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้ายึดครองนั้นไม่ใช่ ที่เป็นที่บรรจุคนขี้เกียจพระเนนเทนชีกหบดีขี้เกียดนี้ทละหลานยังขืนขี้เกียจไหวพระสวดมนต์ให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาอยู่ก็จะไปเกิดเรื่องกับสถานที่และผู้คนในที่นั่นเขาอีกก็จะยุ่งกันใหญ่ฉะนั้นจงพากันพยายามปรับตัวปรับใจให้เข้าสู่ศีลสู่ธรรมขจัดความขี้เกียกกิรานออกโดยลาดับก่อนค่อยพิจารณากันใหม่ในขั้นต่อไปถาม คำว่ า, าที่นั่นปู่ไม่เห็นบอกหลานเห็นบอกแต่จะไปทะเลาะ ก, กับที่และคนในที่นั่นอย่างเดียวส่วนที่นั่นคือที่เช่นายปู่ยังไม่บอกนี่หลานกําลังกระหายอยากฟังโปรดด้วยปู่ตอบคือพระนิพพานอย่างไรล่ะหลานไม่มีสกุลใดเลิศประเสริฐกว่าสกุลคือพระนิพพานนี้ปู่จึงต้องการสกุลนี้อย่างหนักเรื่อยมาแต่ตอนนี้ขันปู่แก่มากแล้วใจปู่ก็คงจะแก่ชราเช่นขันกระมังใจจึงหมดความอยากความต้อง ความต้องการใดๆทั้งสิ้นรวมทั้งที่ที่เคยต้องการมากๆนี้ด้วยทุกวันนี้ปู่ไม่อยากอะไรยังมีชีวิตอยู่ปู่ก็ไม่อยากตายไปเสียปู่ก็ไม่อยากไปนิพพานเสียปู่ก็ไม่อยากใจมันหมดความอ ย, อยากใดๆเสียแต่ยังไม่ได้กินได้ดื่มแล้วเวลานี้จะาถูกหรือผิดปู่ก็พูดตามความจริงให้ลหลานฟังจงพากันฟังและพิจารณาด้วยดีนะปรากฏว่าลหลานของปู่เงียบเชียบไปตามๆกันดูอาการายปู่มาก ไม่คิดว่าจะได้ยินคำนี้ขึ้นมาอายที่ถามท่านแบบเด็กๆเกินไปปู่เห็นท่าไม่สนิทใจจึงหาอุบายพูดเรียบเรียบเคียงเคียงไปทางอื่นเสียบ้างเพื่อเปลี่ยนรถเปลี่ยนชาติแล้วห ล, ลานก็วกกลับไปสกุลชาวนาของปู่อีกเพราะยังไม่หายข้องใจที่ปู่เคยเป็นคนทุกข์ลำบากมาแต่เป็นขราวาดไม่น่าจะเป็นผู้ทรงศีลทรงธรรมอันล้าเลิศอย่างนี้แต่ทาไมปู่จึงเลิศประเสริฐเป็นที่เคารพเพลื่มสายของปวงชนมากมายนะัก ถามถ้าอย่างนั้นคำว่าสกุลสูงหรือต่ำก็ไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคกับนิสัยวาสนาบารมีของมนุษย์และสัตว์ทั่วไตรภพสิใช่ไหมปู่ตอบใช่คนเป็นคนสัตว์เป็นสัตว์คนดีเป็นคนดีคนชั่วเป็นคนชั่วคนบุญเป็นคนบุญคนบาปเป็นคนบาปหากสับปนระคนกันในหมู่มนุษย์และสัตว์ทั่วไตรภพม า, มาดั้งเดิมไม่มีใครหรือสิ่งใดลบล้างได้ เพราะนั่นเป็นกฎแห่งกรรมประจำสัตว์โลกม า, มาดั้งเดิมท่านจึงสอนมาให้ประมาทกันละกันเพราะคำว่ากรรมเป็นสิ่งละเอียดสุกุมมากเกินกว่าสติปัญญาธรรมดาและความรู้วิชาของสามัญชนทั่ ว, วไปจะพิสูจน์ให้ถูกต้องหรือตรงตามความจริงแห่งกรรมนั้ น, น, นได้เรื่องเหล่านี้ลึกลับมากสาหรับสามัญชนทั่ ว, วไปมีพระพุทธเจ้าและพร ะ, พระอรหันต์เท่านั้นสามารถพิสูจน์สาเหตุแห่งกรรมและผลกรรม นั่นได้ดังพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์แสดงไว้เป็นแบบเดียวกันอย่างตายตัวตามหลักความจริงว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีนิพพานมีนานแสนนานกี่ล้านกับนับล้านกันเรียงตามลำดับของพระพุทธเจ้าที่มาตรัสโลดแต่ละพระองค์เรื่อยมาจนถึงพระพุทธเจ้าสมณโคดมองค์ปัจจุบันของชาวพุทธเราสัตว์โลกก็ยังไม่มีรายไดยอมรับว่ามี ว่าเป็นตามนั้นด้วยการรู้การเห็นประจักษ์ตนทางนี้เพราะถูกกิเลส ต, ตัวมืดมิดปิดทวนมันปิดหูปิดตาปิดใจไว้อย่างมิดชิดเหมือนคนตาบอดหูหนวกไม่สามารถสัมผัส ร, รับรู้สิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายด้วยตาด้วยหูที่บอดหนวกของตนได้นอกจากโดนเอาโดนเอาแล้วลูกคลำไปตามปราษาของคนตาบอดไม่มีอะไรรู้และแยบคายไปกว่านั้นดังคนตาบอดโดนต้นไม้หรือต้นเสาหัวต่อเป็นต้น เจ็บไปเปล่าๆไม่มีทางมองเห็นและเข็ดลาบได้ต่อไปก็โดนอีกเจ็บอีกอยู่ร่ําไปเพราะตาไม่เห็นจะเอาอะไรมาแก้ไขาการโดนนั้นว่าจะไม่ให้โดนอีกในการต่อไปสัตว์โลกโดนทุกโดนบาปกรรมทั้งหลายที่ตนเข้าใจว่าไม่มีก็เช่นเดียวกันทั้งทั้งโดนทุกก็มองไม่เห็นทุกขและบาปที่โดนว่ามาจากสาเหตุอันใดเพราะไม่มีปัญญาธรร ม, มาแก้ให้เห็นและหลุดไปได้จำต้องยอมรับทุกขกันอยู่ร่ําไป ถามถ้าอย่างนั้นที่เขาว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มตีตายแล้วสูญสัตว์ตายแล้วไม่ได้เกินอีกต่อไปนั่นก็เพราะกิเลสปิดตาปิดใจเขาละสิปุเขาจึงพูดปฏิเสธสิ่งที่มีอยู่เหล่านั้นซึ่งพระพุทธเจ้าองค์เอกตรัสไว้ได้ลงคอตอบใช่ถูกกิเลสปิดทำท่านไม่ได้ปิดท่านเปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างตามความมีความเป็นท่านไม่ลบล้าง ท่านยอมรับสิ่งมีอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างโดยตลอดทั่วถึงมาตามหลักแห่งสวากาตธรรมที่ว่าตรัสไปชอบแล้วไว้ชอบแล้วไม่มีอะไรเป็นปัญหาที่ทําให้มีให้เกิดปัญหานั้นคือกิเลส ท, ทั้งสิ้นต่างหาเป็นตัวสร้างปัญหาใส่หัวใจสัตว์โลกหลานจงเข้าใจเสียแต่บัด น, นี้จะได้หมดปัญหาที่กิเลสเสี้ยมสอนให้คิดให้ว่าว่าทําเป็นผู้สร้างปัญหาทําสร้างเหตุการณ์ต่างๆทําเป็นผู้สร้างทุกบนหัวใจสัตว์โลกความจริงแล้ว มันคือกิเลสตัวแสนปริ้นปล่อนหลอกลวงและต้มตนตัวชะกาจกันต่างหากเป็นตัวสร้างปัญหาให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายไม่มีจบมีสิ้นลงได้จากหัวใจสัตว์โลกหมดปัญหานี้สร้างปัญหานั้นขึ้นมาหมดทุกขนั้นแล้วสร้างทุกนี้ขึ้นมาไม่มีคําว่าหยุดยอนพ่อนตัวและพักงานของกิเลสจอมปราดเพื่อเห็นเล่เหลี่ยมกลมายาของมันจึงกําจัดให้หมดสิ้นไปจากใจและตําหนิประจานมันให้โลกได้ทราบและตื่นตัวตื่นใจ แก้ไขต้านทานความเลวร้ายของมันเรื่อยมาจนถึงจอมปราดองค์ปัจจุบันคือสมณะโคโดมของชาวพุทธเราปู่ถามคณะลหลานยังชอบกินเหล้ากันอยู่หรือทุกวันนี้ตอบกินอยู่บ้างเป็นบางครงั้งบางคราวปู่แต่ไม่กินมากและไม่กินตลอดไปกินเพียงเพื่อสมัครสมานใจของหมู่เพื่อนและสังคมเท่านั้นไม่ถึงกับติดมันปู่ปู่ถามปู่ขอถามหลานที่เป็นกันเองบ้าง คงไม่โมโหให้ปู่กระมังถามเลยปู่พวกหลานไม่นึกโมโหให้ปู่แหละนอกจากอาบนึกขบขันและละอายตัวเองในบางตอนที่ถูกปู่สับเขกเอาบ้างในธนบุู่กระปัานปู่จะขอถามเล็กน้อยเท่านั้นว่าเด็กๆ เ, เขาไม่กินเหล้าผู้หญิงที่รักศักดิ์ศรีของกุลสตรีตามหลักประเพณีประจําเมืองไทยเราเธอไม่คิดอุตริกินเหล้ากันเหมือนผู้หญิงเจรวดสมัยปัจจุบันนี้และคนที่เขาไม่กินเหล้าที่กล่าวมาเหล่านี้ หลานๆยอมรับว่าเขาเป็นคนดีน่ารักน่าเอ็นดูน่านับถือน่าเคารพไหมตอบยอมรับทั้งสามสี่กระทงเลยปู่แต่หน้าหมอนไส่ผู้หญิงที่ชอบอุตริเป็นนักเลงโตชอบกินเหล้าเอาเหล้าประดับเกียรติชอบหารบเร้าเย้าแย่ผู้ชายอันเป็นการขายหน้าสกุลราวกับสุนักหน้าเดือน1 1บ2อดสองค์เล็บเปิดทางภาคอีสานว่าสุนัขเดือนเก้าซึ่งเป็นหน้าสุนัขนองงเล็บปิด หมดยางอายร้คุณค่าไม่น่ารักไม่น่าเอ็นดูบ้างเลยนอกจากชวงนอนไส้และทุเล็เอาละปู่ไม่ตำหนิผู้หญิงฝ่ายเดียวเพราะผู้ชายก็ไม่ใช่เทวบุตรอุตมะมาจากไหนผู้ชายก็เป็นคนคนหนึ่งเช่นเดียวกับผู้หญิงนั่นแหลผู้ชายผิดไม่ดีที่ตรงไหนปู่ขอพูดทันแลหลานไม่โมโหนะผู้ชายก็น่ามันไส้ถ้าจะมันนะแต่ปู่ไม่มันนอกจากสงสารที่เห็นผิดไปพูดเลยปู่แล้วหลานบอกปู่แล้วว่า จะไม่โมโหนอกจากนึกเสียวเสียวเพราะกลัวโดนแผลเป็นเข้าเท่านั้นปู่ถามหลานๆเคยเห็นพ่อแม่ของเด็กทั้งแผ่นดินนำสุราบาเบียเครื่องดื่มของมือนเมามากรอกปากลูกๆป้อนลูกที่เริ่มเกิดใหม่ไหมไม่เคยเห็นเลยปู่เมื่อไม่เคยเห็นลูกๆ ก, ก็ควรยอมรับว่าท่านเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีและฉลาดของคนของเด็กร้อยเปอร์เซนต์โดยแท้ ไม่กล้านำสิ่งไม่ดีสิ่งจะทำให้เสียเด็กเสียคนเข้ามากล่ำกลายลูกลูกเลยส่วนพวกเราที่จเจริญเติบโตมาแล้วไปเที่ยวเสาะแสวงหากินหาดืา่มเครื่องดองของมนเมาซึ่งทำลายจิตใจทาตขันและคุณค่าของมนุษย์ตลอดหน้าที่การงานให้ด่อยลงและเสียไปจนกลายเป็นคนไร้ค่าไม่นานับถือและปราถนาของสุภาพชนทั่วไปนั้นเป็นคนที่น่าตาหนิทีเดียววัยปูเปลี่ยนมานานและมากจนแก่ขนาดนี้แล้ว แต่ใจยังไม่เคยเปลี่ยนจากการตำหนิคนขี้เหล้าเมาสุราคนสูบฝิ่นกินกัญชายาเสพติดเลยยังคงตำหนิอยู่อย่างเดิมหลานจึงควรระลึกคำพูดของปู่ไว้ภายในใจและพากันนำไปปฏิบัติตามบ้างหลานจะเป็นคนเต็มตัวโดยหลักธรรมชาติไม่ต้องมีอะไรมาเสกสรรให้ดีเพราะสิ่งนั้นให้ดีเพราะสิ่งนี้ดังเขาเสกสรรกันเกลื่อนแผ่นดินเช่นเสกสรรปัญยญว่า คนกินเหล้ามันกล้าหารดีไ ม, ไม่กลัวใครทั้งๆ ท, ท, ที่เคยขี่ขาดวาดกลัวเป็นนิสัยมาแต่กําเนิดนั่นถ้าเป็นหมาก็เป็นห ม, มาที่ไม่รู้จักเสือมันจะต้องตายเพราะเสือกินหัวมันถ้าเป็นคนก็เป็นคนที่ไม่รู้จักตะบองเปินมีดคนนั่นจะต้องตายเพราะตะบองเพราะอาวุธโดยแท้ไม่สงสัยคนเมาเหล้ากล้าหารก็เป็นคนประเภทหมาไม่รู้จักเสือนั่นแลจึงควรฟังคําสอนของปู่บ้างการฟังความอยากความทะเยอทยานไม่มีขอบเขตของตนก็เคยฟัง และทำตามมันมามากตอมากแล้วผลดีไม่เห็นมีนอกจากผลชั่วติดตัวและหน้าตำหนิอยู่ตลอดไปแม้ตายไปแล้วยังไม่มีใครขุดคุ้ยขึ้นมาชมเลยถามกินเหล้ามันเป็นบาปหรือปู่ปู่จึงไม่อยากให้หลานกินกันกลัวหลานจะเป็นหมาไม่รู้จักเสืออย่างนั้นหรือตอบการกินเหล้าหรือของมึนเมาตลอดสิ่งเสดติดและเสียคนนั้นมันจะเป็นบุญพาคนให้ดีและพาไปสวรรค์นิพพานอย่างไรกันนอกจากเป็นบาป หาผามไฟนรกมาเผาตนและครอบครัวตลอดผู้เกี่ยวข้องโดยลำดับเท่านั้นยังจะพากันนึกและรอคอยให้สุรายาเมาพาเป็นคนดีและพาไปสวัสิภานอยู่หรือจอมปราดทั้งหลายท่านตำหนิเป็นเสียงเดียวกันมาแต่การไหนว่าการกินเหล้าเป็นบาปการกินเหล้าเป็นบาปไม่มีชิ้นดีที่น่าชมเชยบ้างเลยเท่านั้นฉะนั้นหลานจงพากันเข้าใจตามที่ปู่อธิบายให้ฟังด้วยความเมตตาสงสารนี้ หลานๆฟังเสียงใครๆก็ฟังมามากต่อมากและทำตามเขาจนเสียคนบางรายจนเป็นเศษมนุษย์หมดคุณค่าสาระโดยประการทั้งปวงไปเลยก็มีแต่บัด น, นี้ต่อไปจงพากันใช้ความพินิจพิจารณาฟังเสียงปู่และนำไปเทียบเคียงกับคำพูดทั้งหลายที่เคยได้ยินได้ฟังมาจะมีแง่ผิดถูกหนักเบาต่างกันอย่างไรบ้างแล้วเลือกเฟ้นนาไปปฏิบัติเพราะลมปากของปู่เป็นเสียงของกระแสธรรม ที่ออกมาจากพระทัยที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าผิดกับลมปากที่กิเลสราคะทัณหาผลหรือปรุงให้กินให้พูดออกมาอยู่มากทั้งมีเหตุมีผลผิดกันราวฟ้ากับดินถามทำไมปู่สมัยนี้คนจึงชอบเอาเหล้าประดับเขียนในสังคมน้อยใหญ่แม้สังคมเด็กก็มีเหล้าออกเป็นเจ้าหน้าเจ้าตาไม่มีเว้นไปเสียแล้วเด็กกินแล้วเมาทะเลาะและตีกันอึกกระทึกเห็นตาตา ม, มาแล้วหน้าทุเรศจริง แล้ก็อดคิดถึงผู้ใหญ่ทั้งหลายและผู้ปกครองบ้านเมืองไม่ได้ว่ากินเหล้ากันเพื่อประโยชน์อะไรและปกครองแบบไหนกันบ้านเมืองจริงเต็มไปด้วยสิ่งเลวร้ายคนเลวร้ายเกลื่อนกลาดระบาดไปทุกแห่งทุกคนไม่ว่าบ้านนอกในเมืองผู้ใหญ่ผู้น้อยปัญญาชนและคนโง่เขลามันพอๆกันเวลานี้ตอบการกินเหล้ามันทําให้คนลืมความทุกข์ความจนความโง่ความมีหนี้สินพลุงพลังและภาระต่างๆได้บ้าง ในขณะที่มาสุราซึ่งกําลังหน้าหนาหน้ า, นาช้าหมดความอายจึงแสดงกิริยาและคําพูดกวางโลกออกมาในทถ้ำกลางฝูงชนทุกชั้นได้ยอย่างเต็มกิริยาและเต็มปากไม่กระดากอายกลับเรื่องปกติที่เคยมีในตัวเช่นเคยเห็นคนทุกเป็นต้นมาเป็นคนมีสุขเป็นคนมั่งมีเป็นคนฉลาดรู้ทุกสิ่งทุกอย่างมีทุกสิ่งทุกอย่างที่โลกรู้และมีกันวาดรวดล้ายออกมาอย่างเต็มตัวไม่กลัวใครจะตนินิติเตียนและทําลายเพราะไม่มีสติ ความจริงแล้วก็คือการระบายทุกขของคนเมานั่นแลด้วยเหตุเหล่านี้เป็นส่วนมากทําให้คนชอบดื่มสุราส่วนผลดีที่เกิดจากการดื่มสุราอย่างแท้จริงนั้นยังมองไม่เห็นสําหรับคนตาฝ้า ฟ, า, ฟางดังปู่นี้ถ้าจะหาทางออกว่าดื่มสุราแล้วทานอาหารได้ดีทานได้มากร่างกายมีกําลังอย่างนี้คําตอบก็จะตามมาว่าใครจะเป็นนักกินและกินไม่เลือกกินไม่อัดไม่อัน้นกินไม่หยุดไม่ถอยกินได้ทุกสิ่งทุกอย่าง กินในทุกเวลานาทีกินจุบจุบกิบกิบกินทั้งกลางวันกลางคืนปากทํางานเคี้ยวกลืนไม่มีว่างยิ่งกว่ามนุษย์จนเงินเกลี้ยงกระเป๋าเพราะกินไม่มีประมาณความพอดีเข้าไปแอบซ่อนได้ไม่จําต้องเที่ยวหายาบำ ร, รุงธาตุมีสุราเป็นต้นมาบำรุงเบอร์รมันเพราะความกินของมนุษย์เป็นน้ารดนฝั่งอยู่แล้วนี่หากถามมาปู่ก็ตอบไปตามประษา พ, พระแก่ร่างกายแม้จะเอาอะไรในแดนโลกธาตุ มาบูรุงมันก็ไม่เหลียวแลมีแต่แย่ท่าเดียวถามทำไมปู่พูดเรื่องคนเมาสุราได้อย่างหน้าขบขันหน้าหัวเราะจริงๆทั้งที่ปู่ไม่ใช่คอสุรามาก่อนปู่นี่ทั้งหน้ารักทั้งหน้าเคารพเลื่อมใสามากทีเดียวและหลานรักปู่มากตอบปู่ก็รักเมตตาลูกหลานเหมือนกันจึงได้พูดในฐานะลูกหลานสู่ันฟังนี่แหละอย่าว่าแต่ปู่ที่ไม่ใช่คอสุราที่พูดเรื่องสุราและคนเมาสุราได้เลยหลาน คนทั้งบ้านทั้งเมืองกระท่างเด็กๆที่เขาไม่ดื่มสุราเขาก็พูดเรื่องโทษของสุราและโทษของคนหมอลสุราได้เพราะเรื่องพันนี้มันทิ่มหูแทงตาทำลายจิตใจคนอยู่ทุกแห่งทุกคนและทุกเวล า, วลาใครๆก็พบก็โดน อ, นอยู่ทั่วไปเป็นแต่เขาไม่พูดเท่านั้นเองเพราะเอือมระอาที่จะพูดให้เสียน้ำลายเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์นอกจากผลเสียจะตามมาจากพวกกินยาพิษไม่เบื่อนี้เท่านั้นใครๆจึงเก็บไว้ภายในแบบรู้กันเองโดยไม่ต้องแจกแจง ถามคนมีอำนาจกับคนมีวาสนานี้ต่างกันหรือเหมือนกันปู่เราทั้งหลายเคยได้ยินจนชินหูชินใจว่าคนมีอำนาจคนมีวาสนาหรือคนมีอำนาจวาสนาแต่ไม่ทราบว่ามีความลึกตื้นหนาบางกว่ากันอย่างไรบ้างกราบขอความเมตตาปู่อธิบายให้ละลานฟังบ้างพอเข้าใจและเป็นแนวทางความคิดและการปฏิบัติต่อไปตอบคำว่าอำนาจตามหลักธรรมแล้ว เป็นกิ่งก้านออกมาจากวาสนาคนมีวาสนาบรารมีมักเป็นคนมีความดิดความดีได้เป็นใหญ่เป็นโตเป็นเจ้าเป็นนายมียศสูงทรงตามลำดับและมีอำนาจสัง่งการสังงานได้ตามหน้าที่และกฎข้อบังคับกฎหมายบ้านเมืองนี่ท่านว่าคนมีอำนาจวาสนาตามจารีตประเพณีของปราดที่ท่านดำเนินและทรงกันมาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาอยู่ใต้ร่มเงาวาสนาบรารมีก็ร่มเย็นทั่วหน้ากันคนที่มีอำนาจวาสนาตามหลักธรรม ตัวเองก็สงบชุ่มเย็นกิริยาอาการที่แสดงออกมีสง่าราศีไม่อาภาัพอับเฉาผู้น้อยก็เคารพรักทั้งต่อหน้ารับหลังไม่พากันตั้งข้อรังเกียจเตียดฉันและสุบซิบสุบซิบกันประชาชนคนธรรมดามองเห็นก็เย็นตาเย็นใจอย่าเข้าใกล้ชิดสนิทสนมไม่เป็นแบบสุภาพชนเจอคนขี้เมาหละหลานจงสร้างตัวเพื่อเป็นมิตรเป็นมงคลแก่ตัวและผู้อื่นด้วยการวางตัวประพฤติตนในทางที่ถูกที่ควร อย่าแสวงหาความดีความเด่นด้วยการเหยียบย่ำทำลายหัวใจคนเพราะความประพฤตินั้นๆมันเป็นผลร้ายแก่ตนแทนที่จะเป็นผลดีไปตามความเหอะความคึกขนองไม่เข้าเรื่องข่าราวของใจคนเราเสียคนมามากต่อมาจนไ ม, จนไม่จนไม่อาจนับพันานาได้เพราะความสำคัญตนและทำตนแบบนี้เขาว่าความดีคนดีทำเครื่องประดับโลกให้มีความสงบร่มเย็นปราดพูดทรงธรรมและพาดำเนินในทางที่ดี มีอยู่ประจําโลกไม่เคยขาดศูนย์และไม่เคยล้าสมัยสิ่งเหล่านี้และท่านเหล่านี้แลพยุงโลกให้พอดูได้พออยู่กันได้เรื่อยมาไม่ใช่สิ่งชั่วคนชั่วเป็นผู้พยุงโลกให้ร่มเย็นนอกจากทําลายโดยถ่ายเดียวหลานๆจะพากันสงสัยและตื่นตามโลกตันหาตามืดบอดสุกเอาเผากินจะล่มจมไปกับเขาจะว่าปู่ไม่บอกไม่เตือนสงสารกลัวไฟเหล่านี้จะลุกลามไปมากจะไม่มีคนดีพยุงบ้านเมืองจึงได้ เดินได้สอนไว้พอเป็นเบรคห้ามล้อบ้างจะไม่พากันเหยียบในคันเร่งเพื่อลงคลองถ่ายเดียวเครื่องดองของมึนเมายาเสพติดทุกประเภทการพนันขันต่อทุกอย่างนั่นคือเพชฌฆาตสังหารทรัพย์สมบัติและมนุษย์ให้เสียไปโดยถ่ายเดียวอย่าพากาันสนิทเข้าใกล้ชิดติดพันกับมันเป็นอันขาดปู่ขอห้ามปู่สงสารที่เห็นมนุษย์ตายทั้งเป็นเหม็น ท, ท, ทั้งที่ยังไม่ตายมาม า, มากตมากแล้วเพราะสิ่งดังกล่าวสังหารทำลาย ปู่เกิดมานานแปดสี่กว่าปีแล้วทราบเรื่องเหล่านี้ได้ดีพอจึงกล้าพูดให้ใครต่อใครและห ล, ะลานๆฟังอย่างไม่สะทกสะทานว่าจะผิดไปคนที่มากราบเรียนถามปัญหาหลวงปู่มีมากทั้งหญิงและชายพระเนรข้าราชการชั้นแล ะ, ะแผนกต่างๆส่วนมากกขามักเรียนท่านว่าหลวงปู่หรือปู่ตามความถนัดใจจึงกรุณาทราบตามนี้ว่าไม่ใช่คนเดียวจำพูกเดียวถามมีหลายคนหลายคณะด้วยกันและถามต่อปเปรื่อยมาจนถึงวาระสุดท้าย ปัญหาจึงมีแปลกๆต่างๆกันไปตามทัศนะของแต่ละรายละลายถามปู่ครับคนสมัยนี้ไม่ว่าเด็กและผู้ใหญ่การเก็บรักษาและการใช้จ่ายไปตามความจำเป็นที่เรียกว่าเหตุผลพาให้เก็บให้จ่ายรู้สึกว่ามีน้อยเต็มทีจะมีก็จำพวกคนเฒ่าคนแก่ที่คนสมัยปัจจุบันตำหนิว่าหัวโบราณเท่านั้นชอบเก็บรักษาไม่ค่อยจ่ายับอะไรอย่างง่ายดายแต่คนสมัยนี้การเก็บรักษามีน้อยมาก แต่การจ่ายรู้สึกมากจนกลายเป็นความสุรุ่ยสุร่ายไม่นำพากับสมบัติสิ่งของมากกว่าความฟุ้งเฟ้อเห่ห์เหิมการเที่ยวกว่าเก่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความหายานะมักสนใจไฝ่ใจชอบทําในสิ่งนั้นๆจนเป็นนิสัยดูว่าทําอะไรทําอยู่ไม่ได้ดิ้นรนกระวนกระ ว, ระวายราวกับจะเป็นจะตายจริงๆถ้เด็ดทำตามชอบใจแล้วดูว่าสนุกรื่นเริงเหมือนกับสิ่งนั้นเป็นสิริมงคลสิจริงๆทั้งที่สิ่งนั้นเป็นสิ่งไม่ดี จะพัให้เสียสมบัติเงินทองและเสียผู้เสียคนปู่มีความเห็นอย่างไรข อ, อนิมนต์โปรดลูกหลานด้วยเผื่อว่าจะมีทางเยียวยาได้ไม่ดมจมชิบหายไปตามๆกันทั้งเขาทั้งเราตอบการเก็บรักษานั้นมันมาทีหลังถ้าจะมานอกจากจะไม่มีทางโผล่หัวขึ้นมาได้เพราะความอยากมันล้นฝั่งอยู่แล้วส่วนมากความอยากจับใจมันมาก่อนเสมอเพราะความอยากอันเป็นตัวภัยมันอัดแน่นอยู่ภายในใจของสัตว์ไม่มีเวลาโบกปางอยู่แล้ว คอยสาะแสวงหาแต่สิ่งจะมาสนองตลอดเวลาอยู่แล้วความสนใจในการเก็บรักษาและการจับจ่ายตามความจําเป็นจึงเกิดได้ยากและไม่มีทางเกิดได้ถ้าไม่มีธรรมเข้าช่วยหักห้ามความอยากต่างๆเช่นอยากกินอยากใช้อยากประดับตกแต่งร้อยแปดอันหาประมาณไม่ได้ด้วยมัตัญญูตาสดาซาทุความรู้จักประมาณย่อมยังประโยชน์ให้สําเร็จแล้วดังนั้นคนมีธรรมประดับตัวกับคนไม่มีธรรมและไม่สนใจในธรรมเลย ความเป็นอยู่ความประพฤติหน้าที่การงานอัธยาสัย ใ, ใจคอตลอดความสง บ, บสุขภายในตนและครอบครัวอันเกิดจากการจับจ่ายและการเก็บรักษาเกิดจากความประพฤติการกระทำจึงต่างกันมากทำท่านจึงสอนให้นำทำมีความสันโดษยินดีในสมบัติที่มีอยู่ของตนโดยเฉพาะไม่ลุกลามความรู้จักประมาณในการกินการใช้การประพฤติตัวตลอดการงานด้านต่างๆ เขามาดัดแปลงแก้ไขสิ่งที่ตนเห็นว่าไม่ดีและบกพร่องและบำรุงส่งเสริมสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้เจริญยิ่งขึ้นไม่ปล่อยตัวไปตามความอยากที่คอยฉุดคอยลากให้ลงทางฝ่ายต่ำอยู่ตลอดเวลาเพราะผู้มีธรรมในใจก็เท่ากับรถมีเบรกห้ามล้อไม่เตลิดเปิดเปิงลงคลองลงเหวลงบอ่อล่มจมไปท่าเดียวยังมีธรรมคอยส ก, กิดและยับยั้งตนไว้ได้ไม่พังทลายไม่เป็นท่าไปกับสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายท่ายเดียว ทำตัางหากพาคนให้ดีมีความสงบสุขโดยทั่วกันสำหรับผู้มีธรรมปฏิบัติตามธรรมได้มากน้อยความอยากความทะเยอทะยานด้วยอำนาจกิเลสราคะตัณหาไม่ได้พาคนให้ดีมิได้ทำคนให้ดีมีความสงบสุขเจริญรุ่งเรืองและครองความสุขแต่อย่างใดตรงข้ามมันทําคนให้เป็นเจ้าทุกข์และเสียคนมามากต่อมากจนประมาณไม่ได้แล้วจึงควรตื่นตัวในความผิด และโทษฐานที่เคยได้รับจากกิเลส ช, ชักจูงและพาให้ทำใจเป็นผู้รับผิดชอบในตัวเราสติปัญญาเป็นผู้รับผิดชอบในดวงใจการกระทำอะไรจึงควรนำสติธรรมปัญญาธรรมมาใช้กับจิตผู้ดำเนินงานอยู่เสมอไม่มีเว้นงานนั้นจะเป็นไปเพื่อความราบรื่นดีงามไม่ค่อยผิดพลาดหรือไม่ผิดพลาดถ้ามีทำสองประการนี้กำกับใจและกำกับงานส่วนมากที่ทำตัวผิดพลาด และผิดพลาดจนเลยขอบเขตแก้ไขก็เพราะทำตามความอยากของกิเลสตัณหาตัวพาให้ตาฟ้า ฟ, า, ฟางเสียมากก่อมากเวลาผิดและได้รับทุกข์ทันต่างแล้วก็มาไปโทษให้ผู้อื่นและโทษให้ดินฟ้าอากาศเพื่อเป็นการออกตัวทั้งที่ไม่ใช่ทางออกอันชอบทำเลยการยอมรับผิดและแก้ตัวในทางที่ถูกที่ดีตัางหากเป็นทางให้คนอื่นเห็นใจสงสาร และเป็นทางบรรเทาทุกขทางพน้นจากความผิดและโทษธรรมต่างๆได้หลานๆควรทราบไว้ด้วยว่าเรื่องเหล่านี้มันเป็นไปตามคราวตามสมัยคือสมัยนี้โลกจเจริญทางด้านวัตถุและอารมณ์เครื่องยุโยยใจที่ชอบเสาะแสวงอยู่แล้วจึงเข้ากันได้อย่างสนิทติด จ, จมไม่มีวันอิ่มพอโลกจเจริญ น, นั้นผิดกันกับธรรมเจริญโลกจเจริญคนมีความทุกข์มากไปตามความจเจริญของโลกคําว่าโลกจเจริญกับกิเลสเครื่องก่อทุกจเจริญ มันกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันฉะนั้นโรคเจริญฉะนั้นโลกจเจริญมากเพียงไรคนจึงได้รับทุกข์มากเพียงนั้นคําว่ากิเลสกิเลสนั้นคือสิ่งสกปรกรกครุงลางและกดทวงบีบบังคับจิตใจสัตว์โลกการบีบบังคับให้สัตว์โลกแสดงออกทางทวารหรือการกระทําต่างๆตลอดผลผลิตจึงเป็นทุกข์แก่สัตว์โลกอย่างแยกไม่ออกส่วนมากถ้าโลกจเจริญทำมรรคเสื่อมหรือทําเสื่อมจา ก, กจิตใจคน ความประพฤติการแสดงออกเป็นรูกหลุมดอนๆต่อความถูกต้องดีงามผิดกับธรรมเจริญในใจคนอยู่มากคําว่าธรรมเจริญนั้นมิได้หมายถึงการศึกษาเล่าเรียนการท่องบนจดจําทําได้มากแม้จําได้กระทั่งพระไตรปิฎกก็ไม่พ้นที่กิเลสจะยึดอํานาจนําความรู้ น, นั้นมาเป็นเครื่องมือสแสวงผลประโยชน์เพื่อมันจนได้ถ้าไม่มีภาคปฏิบททัติธรรมตามที่ศึกษาจดจํามาเครือบแฝงอยู่และเป็นคู่เคียงกันไป คำว่าทำจเจริญ น, นั้นจเจริญที่ใจของผู้ประพฤติ ธ, ธรรมใจมีฮิริโอตตะปะสะดุ้งกลัวต่อบาปกรรมอลามกไม่ชินชาไม่สนิทติดใจในบาปว่าจะพาให้ดีวิเศษวิโสใดๆความประพฤติการกระทำมีขอบเขตเหตุผลในสิ่งที่ควรหรือไม่ควรจิตใจมีความเมตตาสงสารเพื่อนมนุษย์และสัตว์ด้วยกันไม่ดูถูกเกียรตยามไม่กดทีข่มเหงไม่เอารัดเอาเปรียบไม่คดโกงรีดไถรู้ใจท่านใจเรา สมบัติท่านสมบัติเราไม่รวงล้ามกั้มกลายสมบัติและจิตใจของกันและกันการงานเพื่อโทนส่วนรวมก็สะอาดสุดจริตผลกุกเกิดขึ้นว่าสมบูรณ์ไม่รั่วไหลแตกซึมปฏิบัติได้พีงที่กล่าวมาก็เรียกว่าทำเจริญในหมู่ชนสังคมย่อมสงบเย็นทั้งส่วนใหญ่ส่วนย่อยเมื่อต่างคนต่างสนใจบำ ร, รุงรักษาปฏิบัติทำขึ้นที่ใจไม่ปล่อยปะละเลยดังที่เป็นและเห็นเห็นกันอยู่ คำว่าโลภเจริญตามความนิยมนั้นมันเจริญด้วยความโลภความอยากได้ไม่มีอิ่มพอเหมือนไฟได้เชื้อซึ่งสุดท้ายก็เผาตัวเองนั่นแลก่อนอื่นเจริญด้วยความโกรธผูกอาฆาตมากรายหมายจองเวรเจริญด้วยราคาตันหาความคึกขนองน้ําร้นฝั่งไม่มีความพอดีเป็นฝั่งเป็นฝาปิดกั้นไว้บ้างเลยเจริญด้วยความรุ่มหลงอันเป็นรากฐานแห่งความประมาทไม่มีประมาณว่าจะรู้สึกตัวเมื่อไหร่ คำว่าทำเจริญตามความนิยมและยอมรับของปราดนนั้นหมายถึงความเจริญทางใจใจมีความยุติธรรมทั้งแก่ตนและผู้อื่นสัตว์อื่นไม่ลำเอียงอันเป็นการบิดเบือนความจริงผู้มีทำเจริญภายในใจย่อมสงบเย็นมีฝั่ ง, ม, งมีฟ้ามีกฎเกณฑ์ด้วยความประพฤติการแสดงออกไม่ผาดผลโจรทยานไม่สังหารผู้อื่นอย่างเลือดเย็นเพราะการสแสวงผลรายได้ของตน คำว่าโลกเจริญกับธรรมเจริญมีเหตุและผลต่างกันดังกล่าวมาจงพากันนำไปพิจารณาและปฏิบัติตามผลดีจะเป็นความสุขความเจริญแก่ตัวเองปู่นี้แก่มากแล้วไม่หวังความเสื่อมและความเจริญในด้านใดมากกว่าการประคองขันพอถึงบันตายเท่านั้นถามก่อนปู่จะได้มาบวชในพระพุทธศาสนาปู่คิดอยากจะบวชเองโดยนิสัยชอบหรือมีเหตุอันใดบงังคับให้ ป, ปู่ต้องบวชตอบการคิดอยากบวชและการคิดจะบวชนั้น เคยมีในใจของปู่อยู่แล้วแต่ไม่รุนแรงถึงขนาดจะออกบวชในระยะนั้นได้ปู่ก็อยู่ไปสร้างโลกไปเหมือนโลกอยู่กันถามเหตุที่ปู่จะได้บวชจริงเป็นอย่างไรเล่าให้พวกลูกหลานฟังพอเป็นคติบ้างบางทีอาจได้เดินตามหลังปู่ก็เป็นได้เพราะโลกนี้มันอนิจจังไม่แน่นอนเสมอไปตอบมันเรื่องหน้าอับอายปู่ไม่อยากเล่าทาไมขายหน้าเขาก็อาจขายหน้าตัวเอง แม้เราจะเป็นคนดีตามจารีตประเพณีของโลกอยู่ก็ไม่น่าจะพ้นมนทินโทษไปได้ปู่จึงไม่อยากเล่าดีไม่ดีปู่กับลูกหลานที่กำลังนั่งฟังการสนทนากันอยู่เวลานี้อาจเกิดความรู้สึกสลดสงเวจใจขึ้นก็ได้และอาจคิดว่าปู่จนตรอกจึงออกบทไม่ได้ออกบทด้วยความสมัครใจมาแต่ต้นผลจากการฟังก็จะไม่เป็นมงคลแก่ลูกหลานอย่าให้ปู่เล่าเลยถามโปรดเถิดปู่ พระขนาดปู่นี้ไม่มีใครกล้าตนิดได้ลงคอแหละจะดีหรือชั่วปู่ก็แหวกว่ายผ่านมาแล้วปู่พ้นภยัยไปหมดแล้วจึงไม่มีที่นาตํานินอกจากฟังเป็นนิทานปู่กับหลานเท่านั้นจึงขอนิมทนาปู่โปรดลูกหลานบ้างเถิดตอบปู่จะพูดตรงไปตรงมาและสรุปความย่อๆเลยนะหลานเดิมปู่เป็นคนขยันขันแข็งรับผิดชอบครอบครัวอย่างจริงใจแต่การทํามาหาเลี้ยงครอบครัวไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าที่อยากให้เป็นขาดขาดเคินเคิน ซึ่งทำให้ปู่คิดสงสารครอบครัวอยู่ไม่ไหวจึงคิดและตัดสินใจลงไปรับจ้างทานาทางภาคกลางพอได้เงินแล้วก็กลับมาบ้านแต่เจ้ากรรมมาเจอมีเอมีชู้ตอนนี้ปู่เกือบเสียคนไปทั้งคนยังไม่คาดฝันถามเสียคนอย่างไรปู่ตอบก็มาเจอมีกอากำลังเริงรักหักสวัสดิอยู่กับชายชู้อย่างตำตาละสิหลานใครจะไปทนได้ปู่จึงเกือบเสียคนไปคือขณะนั้นเอง ขณะที่ปูแอบด้อมมาดูตามคำบอกเล่าของชาวบ้านเวลางิ่เงียบดึกสงัดพร้อมกับดาบอันคมกริบอยู่ในมือเงิดเงื่อ ด, ดาบสุดแรงเกิดจะฟาดฟันลงให้ขาสบ้านไปทั้งเมียทั้งชายชูแต่เพอเอิญชายชูมองเห็นก่อนยกมือขึ้นไหวปูจนตัวสั่นเทาๆขอชีวิตชีวาไว้พร้อมทั้งยอมสารภาพความผิดที่ทาลงไปทุกอย่างขณะจิตสะดุดขึ้นตื่นว่าเขายอมแล้วอย่าทำอย่าทา จะเป็นความเสียหายเพิ่มเข้ออีกโดยไม่มีผลดีอะไรเกิดขึ้นเลยประกอบกับใจเกิดความสงสารชายชูผู้กลัวตายสุดขีดใจเลยอ่อนลงแล้วเรียกร้องให้ชาวบ้านมาดูเหตุการณ์ในขณะนั้นจนหายสงสัยในข้อเท็จจริงทั่วนากันแล้วประชุมญาติและผู้ใหญ่บ้านจะเอาเรื่องอย่างหนักชายชูยอมรับทุกอย่างจึงปรับหมายด้วยเงินจานวนเท่านั้นเท่านั้นพร้อมกับประกาศยกมีให้ชายชูนั้นอย่างเปิดเผยในชุนุมชน ตัดกรรมตัดเวรหายห่วงไปสัทีหลังจากนั้นมีแต่ความสลดสังเวชใจเป็นคำาลังคิดเรื่องอะไรในโลกไม่มีความลงใจติดใจที่จะทำที่จะอยู่แบบโลกเขาอยู่กันต่อไปใจหมุนไปทางบวชเพื่อห น, นีโลกอันโสมมมนี้ให้พ้นมันโดยถ่ายเดียวอย่างอื่นใจไม่ยอมรับเลยมีการออกบวชหนีโลกเพื่อความพ้นทุกข์ปณิพาน์ตามสเสด็จพระพุทธเจ้าพระสาวกท่านอย่างเดียวเท่านั้นเป็นที่ลงใจและสมัครใจอย่างเต็มที่ ไม่มีอะไรมาขัดแยง้งปู่จึงได้มาบวชและปฏิบัติธรรมอย่างถึงใจเรื่อยมาจนปัจจุบันนี้นี่แลสาเหตุที่จะให้ปู่ออกบวชอย่างรวดเร็วเพราะความสังเวชเบื่อหน่ายประทับใจปู่จริงและตอนนี้แลเป็นตอนที่ปู่บวช ด, ด้วยศรัทธาความอยากบวชจริงไม่มีอะไรจะห้ามไว้ได้เนื่องจากความเบื่อหน่ายในเหตุการณ์ที่ประสบมาและคิดกว้างขวา ง, ขวางเท่าไรก็ยิ่งเกิดความเบื่อหน่ายมากขึ้นถึงกับต้องบวช ด, ดังใจใหม่ถาม แล้วหญิงคนนั้นเธออยู่กับผัวใหม่หรือปู่ตอบมันจะอยู่กับเทวดาตนไหนปู่ก็ไม่คิดกับมันให้สิ้นเปลืองความคิดเลยละหลานปู่กระเทือนใจขมันเต็มประดาอย่างเส้นย่าแดงเท่านั้นที่มันจะตายกับผัวใหม่มันนะนะับว่าบุญมันบุญปู่ที่ไม่ได้สร้างกรรมหนักต่อกันฉะนั้นลหลานจึงจําไว้เป็นคติจนวันตายจากการกับผัวกับเมียของตนนะอย่าทําลายจิตใจกันด้วยความลามกจกเปเรนี้เป็นอันขาด แม้จะทุกข์เพราะอะไรก็ยอมทุกข์เถืนแต่อย่าไปเสี่ยงทุกข์กับมหันต์ทุกข์นี้เป็นอันขาดปู่ขอห้ามอย่าพากันฝืนเด็ดขาดจนวันตาจากการระว่างผัวเมียที่ทําทั้งกล่าวไว้ว่ากาเมสมิจฉาจ้านั้น um เป็นบาปหนักปู่เชื่อประจักษ์ใจปู่เองเพราะมหันต์ทุกข์จริงๆฝ่ายที่ทําลายจิตใจของอีกฝ่ายหนึ่งนั่นแหลเป็นผู้ทํากรรมหนักที่สุดไม่มีอะไรรับไว้ได้จะว่ากรรมมอนนรกแตกก็ไม่ผิดปู่เชื่อทําข้อกาเม สุมิชาาจารย์ยางถึงใจแต่บัดนั้นมาจึงรีบบอกลูกห ล, กลานอย่าพากันคิดคนองหารทำเป็นอันขาดจงสุขจงทุกข์เป็นละตายไปด้วยความซื่อสัตย์สุดจริตจงรักพักดีต่อกันจนถึงวันอวสานต่อกันเถิดชื่อว่าฝากเป็นฝากตายต่อกันโดยทาแท้ที่เราให้หลานฟังก็เพื่อเป็นคติเตือนใจเท่านั้นไม่างนั้นปู่จะเล่าให้เสียน้ำลายทำไมถามน่าสลดใจมากฟังเรื่องปู่แล้ว แต่ทำไมโลกปัจจุบันจึงชอบทำลายจิตใจกันด้วยสินรำข้อกาเมศมิชขาจาร์เอานักหนาเราปู่ตอบคาถาไฟในโลคันตนรกมันกล่อมได้สนิทโลกปัจจุบันจึงเคลื่อหลับไปตามคาถาใบนั้นโดยไม่คิดจะตื่นกันบ้างเลยฉะนั้นคำว่าโลกเจริญกับไฟนรกเจริญในผู้นั้นจึงมาพร้อมๆกันและคำว่าทำเจริญกับสวรรค์นิพานเจริญในผู้นั้นจึงมาในขณะเดียวกันผู้ใดเชื่อธรรมผู้นั้นจะเจริญสมหวัง ผู้ใดเชื่อกิเลสตัณหาผู้นั้นจะนับวันล่มจมไปเรื่อยๆจนจมมิดในที่สุดไม่มีใครและอะไรช่วยได้ทั้งนี้เพราะพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ไม่เคยโกหกโลกก็พระเมตตากรุณาต่อสัตว์โลกเต็มพระทยัยจะเอาอะไรมาโกหกหลอกลวงสัตว์โลกเล่านอกจากกิเลสซึ่งไม่เคยสงสารปราณีใครเท่านั้นมันจึงสนุกหลอกสัตว์โลกให้ร่มจมเรื่อยมาไม่เคยนําความจริงมาสอนโลกเลยถามการบวชในาศาสนายากลำบากไหมปู่ ตอบถ้าบวชตามแบบพระพุทธเจ้าและสามวกท่านก็ยากลำบากปู่อยากพูดเต็มปากว่าไม่มีอะไรยากลำบากเกินงานของพระเลยถามทำไมจึงเป็นเช่นนั้นทั้งที่โลกเขามาพบคุยกันถึงเรื่องงานการต่างๆของโลกใครพูดออกมาก็น่าฟังพอๆพกันว่ายากกว่าลำบากไม่มีแม้พูดเดียวว่าง่ายว่าสบายเลยแต่แล้วงานของพระเป็นงานอะไรกันจึงยากลาบากจนไม่มีอะไรเทียบเราเราละปู่ตอบ งานบวชที่ทําตามศาสนธรรมของพระเจ้าเป็นงานทวนกระแสของโลกที่กิเลสวัตวนบงการอยู่รอบจิตรอบทิศรอบด้านไม่มีช่องว่างพอหายใจได้สะดวกต่อการบําเพ็นบ้างเลยเป็นงานทวนกระแสความเด่นดูดของกิเลสในโลกทั้งมวลจึงเป็นงานยากลําบากมากเหมือนกลิ้งครกขึ้นภูเขานั่นแหละลาบากขนาดไหนคิดดูก็พอรู้ได้ไม่จําต้องบอกต้องแจงถามก็เห็นพระท่านบวชอยู่ตามวัดท่านสบายดี ไม่ต้องวิ่งเส้นขนวนขวายหาอะไรถึงเวลาญาติโยมก็นํามาถวายฉันอิ่มแล้วอยากหลับนอนมันยังข้ามและตลอดรุ่งก็ยังได้เพราะไม่มีใครไปรบกวนท่านเนื่องจากเขาเคารพนับถือนี่ปู่ตอบถ้าจะบวดมาเรียนเพียงวิชากินแล้วนอนอย่างเดียวมันก็สบายในขณะนอนหลับอยู่แต่พอตื่นนอนขึ้นมาล้วสิใจมันดิ้นรนกวัดแกงเพราะกิเลสราคะตัณหาได้รับอาหารจากการกินมากนอนมากพอตัวแล้วรบกวนใจ การนอนมากมันเป็นเครื่องเสริมทําให้เจริญรุ่งเรืองภายในใจเมื่อไหร่นอกจากมันเสริมกิเลสราคาตันหาให้มีกําลังกล้าพาวิ่งพาเหาะพาบินไปทั่วโลกทินแดนเพื่อหาตูเมีอย่างเดียวแบบหมุนติ้วเป็นกงจักอะไรห้ามมายอมอยู่เท่านั้นมันจะเป็นสุขสบายเป็นสวรรค์วิมานเพราะกางกินมากนอนมากอะไรกันอย่าพากันคิดผิดจากคลองทำไปสิหลานการมองกันแบบนั้นมันมองด้วยสายตาโลกสายตา ก, กิเลส ไม่ใช่มองด้วยสายตาทำเพื่อข่ากิเลสนี่ถามจะคิดจะทำอย่างไรปู่จึงจะถูกต้องตามครองอัดครองธรรมของพระพุทธองค์ตอบต้องคิดดังที่ปู่บอกละสิวะการออกบทเพื่อปฏิบัติธรรมโดยชอบก็คือการออกสู่ในรอบกับกิเลสเพื่อชัยชนะข่าศึกศัตรูหมู่กิเล ส, สมานอันเป็นหมู่มานและเสนามานซึ่งต้องรบต้องห้ำหั่นกันเต็มฝีมือและกําลังวังชาสติปัญญาสธาความเพียรที่มีอยู่ ไม่มีคําว่าออมแรงใครออมแรงทําเย่อเย่แยแยคนนั้นต้องแพ้อย่างหมอบราบคาบหญ้าไม่สงสัยการเข้าสู่แนวรบทางโลกเขาถือว่าเป็นความสุขสบายหรือไม่มีใครถือว่าเป็นความสุขความสบายเพราะจะไปฆ่าฟันรันแทงกับฆ่าศึกจนเห็นดําเห็นแดงเห็นเป็นเห็นตายเห็นแพ้เห็นชนะกันจะไปเอาความสุขมาจากอะไรที่ไหนกันก็คนฆากันนี่มีแต่ความวิตกกังวลความกลัวเป็นกลัวตายเต็มหัวใจนั่นแหละ และจะเอาความสุขสบายมาจากไหนกันการบวชเพื่อบําเพ็ญทำความดีงามและเพื่อรื้อถอนกิเลสเชื่อวัตวนขนกองทุกออกจากใจก็คือการเข้าสู่สงครามระหว่างกิเลสกับธรรมโดยถือเอาพบเอาใจเราเป็นเวทีเป็นสนามรบต่อสู้กับกิเลสประเภทต่างๆด้วยวิธีเดินจงกรมรบยืนรบนั่งสมาธิภาวนารบนอนภาวนารบด้วยสติปัญญาสธาความเพียรไม่ลดละท้อถอยทุกอาการของจิตที่เคลื่อนไหว มันเป็นเรื่องของกิเลสมีราคะตัณหาเป็นต้นไหวตัวเพื่อทำลายเราทั้งสิ้นเมื่อข่าศึกประจันหน้าอยู่ทุกอิริยาบถและทุกอาการที่เคลื่อนไหวของจิตเช่นนี้นักบวชคือนักรบศิทธิาคตรูปใดองค์ใดจะยอมตัวล้มนอนคอยให้กิเลสสับยาขย้ำเป็นอาหารอันอร่อยกินเลี้ยงกันเหล่านักบวชทุกศิทธิาคตต้องเตรียมรวดลายคอยรับคอย ร, บ, อยรบข่าเสร็จด้วยความเพียรมีสติปัญญาเป็นอาวุธ มีศรัทธาความเพียรเป็นเครื่องหนุนอยู่ตลอดแนวรบคืออิริยาบถต่างๆไม่เผยตัวทั้งตั้งรับทั้งโรกทั้งบุกทั้งทําลายฆ่าศึกไม่ให้เข้าใกล้ชิดตัวได้จะเป็นภัยแก่ตัวเองและอาการของนักบวชลูกศิริฐาคุติกล่าวมาเหล่านี้เป็นอาการแห่งผู้อยู่สบายด้วยการบวชอะไรกันนอกจากกองทุกข์ล้วนๆด้วยงานคือการรบฟันกับกิเลสประเภทต่างๆเพื่อใช้ชนะอย่างยอดเยี่ยมและอยู่เป็นบริมสุขหลังจากกรรมใชได้ โดยเด็ดขาดไม่มีชิ้นต่อโดยประการทั้งปวงแล้วบวชแบบนี้ต้องทุกข์ลำบากด้วยกันนอกจากบวชแบบหมูขึ้นเขียงให้กิเลศยำนั้นอาสบายอยู่บนเขียงขณะที่มีดหันยังไม่มาถึงหลังหมูแต่พอมีดหันมาถึงแล้วหลานคิดเอาเองก็แล้วกันปู่มันแก่แล้วอธิบายมันได้ละเอียดละอ่อนนักแหละถามโอ้โหการบวชนั้นมันยากลําบากถึงขนาดนี้เจ้ารอปู่แล้วหลานนึกว่าบวชแล้วสบายนับว่าคิดผิดไปมากแล้วนาน เพิ่งจะรู้เรื่องของการบวชว่ายากลำบากกว่านี้เองต้องขอโทดปู่มากๆที่ได้ละราบ ล, ล้วงปู่โดยไม่รู้สึกตัวตอบปู่นี่มันชีวิตเดินตาจากการบวชแล้วปฏิบัติธรรมาโดยลาดับนับแต่ขั้นเริ่มแรกบวชเรื่อยมาที่พอลืมหูลืมตาอ้าปากพูดได้บ้างก็ตอนแก่แล้วนี่แหละจะเพราะกิเลสมันแก่ไปด้วยสังขารเราหรือว่ามันตายไปหมดทั้งโคตรทั้งแส่ของมันแล้วปู่ก็เข็ดลาบได้เบื่อจะตามหามันอีก เพราะเคยเป็นคู่เดือดคู่แค้นกันมาแต่วันเริ่มออกบวชจนถึงวัยแก่อยู่แล้วมันเป็นของดิบดีวิเศษวิโสอะไรกว่าธรรมของพระพุทธเจ้าเราพอจะตามหามันให้เพิ่มความเครียดแค้นเข้าไปอีกแม้ไม่ตามหามันแต่บังเอิญเดินทางมาเจอหน้ากันเข้าหลดมุ้งบาด ท, ที่สะพายและแบกอยู่บนบ่าปูอย่างหนักอื่งนั้นปู่ยังจะลืมคิดว่ามีบริหารอยู่บนบ่าไปโดดเข้าฟัดกับกิเลสตกเวทีให้บุญมันด้วยกุศลาธรรมะอย่างหายห่ยหวงแล้วจึงจะย้อนมามองดูบา่า บริหารชิ้นไหนตกไปที่ใดขณะที่ฟาดฟันกับกิเลสอยู่นั้นจึงจะไปเที่ยวหาเก็บเอามาพูดถึงกิเลสมื่อลายใจปู่มันเป็นบ้านหน้านักรบขึ้นมาทันทีเพราะความเครียดแค้นที่มันจับหัวปู่ใส่เข้ากองทุกน้อยใหญ่และใสให้ไปเกิดที่นั้นที่นี้ให้ตกนรกหมกไหมใช้พบใช้ชาติไม่มีวันจบสิ้นลงได้แต่ไหนแต่ไรมาจนนับพบนับชาติของตัวเพียงคนเดียวไม่จบได้เนื่องจากมีมากต่อมากไม่มีอะไรมากเท่าเลยถาม การเกิดตายของคนของสัตว์มีมากขนาดนั้นเชียวหรือปูตอบทำไมจะไม่มากเราก็กิเลสมันทำนาบนหัวคนหัวสัตว์มีหน้าแรงหน้าฝนเมื่อไหร่มันทำของมันอยู่ตลอดการสถานที่เรื่อยมาและยังจะเรื่อยไปไม่มีสิ้นสุดยุติถ้าไม่ลากคอมาดงจากหัวใจมาเผาด้วยตปะปรทมให้แหลกแตกกระจายเป็นผุยผงไปเสียงเมื่อไหร่จะต้องถูกมันจับมัดจำจองเข้าสู่พบน้อยพบใหญ่ยอยู่ตราบนั้นไม่มีอะไรมามีอำนาจเหนือมันได้ นอกจากทำของพระพุทธเจ้าอย่างเดียวถามปู่เคยเกิดมากี่ชาติกว่าจะถึงชาติปัจจุบันนี้ตอบก็บอกแล้วว่านับไม่ได้จะมาถามกี่พบกี่ชาติอะไรกันอีกไม่มีอะไรมากยิ่งกว่าพบชาติของสัตว์รายหนึ่งหนึ่งที่ตายเก่าวตายใหม่ถ้ารวมกันเข้าโลกมนุษย์มองเห็นแล้วตัดแตกดีฟอขาหักวิ่งเตลดิดเปิดเปิง เ, เอาตัวรอดเพราะความกลัวซากผีที่ตายเก่าใหม่เกลืนแผ่นดินถิน่นอาศัยตลอดแดนโลกธาตุ ไม่มีที่จะจดลงกระทั่งปลายเข็มจะว่ายังไงยังไม่เชื่อความจริงที่พระพุทธเจ้าแสดงว่าอยู่หรือแล้วจะเชื่อใครที่ดีเลิกว่านี้ถ้าเชื่อกิเลสดังที่เคยเป็นมาก็ต้องจมลงไปนับภพบชาติของตนไม่จบอีกนั่นแหลความจริงเป็นอย่างนี้ปู่เชื่อยังไม่มีเงื่อนไขใครจะว่างโง่ก็ว่าไปแต่ปู่ไม่ยอมแก้ไขโง่แบบนี้เด็ดขาดจะยอมโง่แบบนี้ตลอดไปถามจะทําอย่างไรจรึงจะพ้นจากการนับชาติไม่จบสิ้นเราปู่ตอบ ก็ต้องทําความดีมีการบําเพ็ญทานรักษาศีลเจริญภาวนาซึ่งเป็นเหมือนดาบอันคมกล้าตัดกิเลสตัณหาตัดภพตัดชาติให้เบาบางและสั้นเข้ามาเมื่อบําเพ็ญอยู่โดยสม่าเสมอไม่ลดละปล่อยวางความดีเหล่านี้ย่อมจะมีกําลังกล้าขึ้นโดยลําดับและตัดกิเลสตัดภพชาติให้สั้นเข้ามาจนถึงภพชาติปัจจุบันและรู้เท่าทันพร้อมทั้งตัดกิเลสอันเป็นเชื้อแห่งภพที่ฝังอยู่ภายในใจให้ขาดกระเด็นออกเป็นผุยผงไม่มีชิ้นต่อกันกันกบใจอีกเลย แล้วพบชาติจะเรียกโคดแซ่ที่ไหนจะมาพาให้เกิดแก่เจ็บตายเพื่อหาผามกองทุกน้อยใหญ่อีกต่อไปเล่าถ้าลงใจได้บริสุทธิ์ล้วนแล้วเมื่อใจได้ถึงขั้นนี้แล้วกิเลสอย่างไรก็เรียกไม่กลับแน่นอนปู่กับกิเลสมันเคยฟัดกันมาอย่างโชคโชนถึงขนาดใครดีใครอยู่ใครไม่เก่งจนจงบรรลัยสุดท้ายกิเลสบรรลัยพระพุทธเจ้าปรมาสสารของพวกเราเพียงสรบเท่านั้นสําหรับปู่เองเมื่อลมหายใจสิ้นเมื่อไรไม่อยู่ปู่ต้องไป กิเลสแบกหามธาตุขันอันนี้เต็มประดาแล้วถามปู่จะกลับมาเกิดให้ลูกหลานได้กลา่าวไหวอีกหรือเปล่าตอบฟังธรรมนั่นฟังให้ดีฟังเพื่อสติปัญญาอย่าฟังเพื่อกิเลสหัวเราะปู่โงโงๆยังอดขันไม่ได้จะสอนอย่างไรสอนโลกจึงจะเข้าใจฟังไปเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่พ้นกิเลสมากรอบโอยผลไรได้ไปกินหมดมีแต่ตัวเปล่ากิเลสมันฉลาดดังที่เห็นเห็นอยู่นี่แหละแต่มันทําสัตว์ให้งโง่ไม่มีอะไรเกินมันถาม คนส่วนมากสงสัยเรื่องบุญบาปนรกสวรรค์นิพพานว่าจะมีจริงดังธรรมท่านสอนไว้หรือไม่หนอพระพุทธเจา้าผู้สอนทำเหล่านี้ก็เข้าสู่นิพพานไปนานสองพันกว่าปีแล้วพระวาจ a าของพระองค์จะยังศักดิ์สิทธิ์อยู่หรือไม่หนอดังนี้มีมากในชาวพุทธเราเองนี่แหลสงสัยและพูดกันอยู่ทั่วไปตอบข้อนี้ก็น่ายเห็นใจเมื่อไม่รู้ไม่เห็นประจักษ์กับตัวเองตามที่ท่านบอกไว้โก็อดสงสัยไม่ได้เป็นธรรมดาของคนมีกิเลส ต, ตัวมืดมิดปิดตวาน แต่อย่างไรก็ตามถ้าสนใจในเหตุผลอรธรรมอยู่แล้วก็มีทางจะรู้จะเห็นและเชื่อได้ไม่สุดวิสัยข้อสำคัญเราเป็นลูกชาวพุทธที่ทรงประกาศสอนธรรมไว้ด้วยความถูกต้องแม่นยำตามหลักแห่งสว่าคธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วทุกแง่ทุกมุมไม่มีผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงแม้แต่น้อยจึงควรยกศาสนาเป็นหลักใจไว้จะดีกว่ายกความสงสัยไ้ทำลายใจส่วนความเข้าใจว่าบาปบุญนรกสวรรค์นิพพานไม่มี นั้นเป็นเรื่องของกิเลสปิดตาใจไว้ไม่ยอมให้สัตว์โลกรู้เห็นสิ่งมีอยู่นั้นๆตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีที่เป็นไม่ใช่ดินฟ้าอากาศมาปิดเรื่องบุตรบาปบุณนรกสวรรค์นิพพานเหล่านี้แม้พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ตลอดพระสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ไม่มีพระองค์ใดองค์ใดเคยรู้เคยเห็นมาก่อนที่ทำยังไม่เข้าสู่พระทัยและสู่ใจต้องปฏิบัติรูปลูบคลำคกรรมดำํำคาขาวไปก่อน ดังพระบิดาเจ้าของเราก็เคยทราบในพระประวัติว่าทรงบำเพ็ญทดลองหลายวิธีจึงทรงพบเงื่อนแห่งความถูกต้องอันเป็นสายทางที่จะให้ตรัสรูธ้ธ ร, รมวิธีนั้นคืออาณาปนานสติกำหนดลมหายใจเข้าออกโดยมีพระสติปัญญาสังเกตในวิธีการที่ทรงบำเพ็ญจนปรากฏผลเป็นความสงบเย็นและแน่พระทัยว่าถูกทางปฐมยามก็ทรงบรรลุปุเพนิวาสานุสติญาณ รลึกชาต์ถอยหลังที่ไม่เคยบรรลุมาก่อนได้ประจักษ์พระไทยหายสงสัยโดยไมโดยไม่มีใครบอกเล่าปัชิมยามก็ทรงบรรลุจุตุปาตยานทรงรู้ความจุติและความเกิดของสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณได้โดยไม่มีใครบอกเล่าพอปัจชิมยามก็ทรงบรรลุอาสวัคยาญานญาณความรู้แจ้งความสิ้นไปแห่งอาสวัคยิเลททั้งมวลไม่มีหลงเหลือในพระไทยเลยพร้อมด้วยวิชาสามอภิญญาหกเป็นต้น ทะลุถึงโลกวิทูรู้แจ้งโลกในและโลกนอกโลกนอกตลอดทั่วถึงหายสงสัยโดยประการทั้งปวงสิ่งใดมีทั้งดีและชั่วตลอดทำอันประเสริฐเลิศเลินเหนือโลกสงสารก็ทรงรู้เห็นและยอมรับว่ามีว่าเป็นไม่ทรงลบล้างและทรงปฏิบัติตามสิ่งที่มีที่เป็นนั้นๆตามที่ทรงเห็นควรว่าจะควรปฏิบัติต่อสิ่งนั้นๆอย่างไรบ้างและทรงสั่งสอนมวลสัตว์ด้วยวิธีการที่ทรงปฏิบัติและทรงรู้ทรงเห็นมา เป็นศาสนธรรมที่คงเส้นคงวาด้วยความถูกต้องแม่นยำมาตลอดปัจจุบันคือวันนี้เพราะความจริงไม่ขึ้นอยู่กับการสถานที่ไม่เกี่ยวกับการยังทรงพระชนอยู่และปรินิพพานของพระพุทธเจ้าแลสาวทั้งหลายแต่ขึ้นอยู่กับความจริงที่เคยมีเคยเป็นอย่างไรก็มีเป็นอยู่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าและสาวทั้งหลายได้ทรงปฏิบัติและรู้เห็นบาปบุญนรกสวรรค์นิพพานมาแล้วอย่างเต็มพระทยัยจึงทรงนำความจริงนั้นๆมาประกาศทำสอนโลก และทรงเป็นศาสตาเต็มองค์รู้เห็นทำเต็มพระทยัยไม่ได้มีอะไรปลอมแปลงแฝงอยู่ในพระทัยบ้างเลยแม่น้อยดังนั้นสิ่งที่รู้ที่เห็นและที่สั่งสอนจึงเป็นของจริงเต็มส่วนควรแกร่การปฏิบัติตามด้วยความหายสงสัยกังวลอย่างยิ่งถ้าลงพระพุทธเจ้าเป็นที่ลงใจเชื่อไม่ได้แล้วจะไปเชื่อใครได้ในไตรภคคนคนนั้นก็นับว่าหมดหวังและหมดทางเยียวยารักษาถ้าเป็นโรคกสุดวิสัยคอจะลมหายใจเท่านั้น ถ้าจะเตรียมหีบเตรียมโงก็ควรแล้วเดี๋ยวจะเน่าเฟะเต็มบ้านที่กล่าวมาเหล่านี้คือข้อยืนยันของพระพุทธเจ้าที่เป็นาศาสดาและนำธรรมมาสอนโลกส่วนกิเลสตัวพาสัตว์โลกให้สมแว่นตาดำมองอะไรเป็นหลังหมีไปทั้งตัวนั้นมันมีคุณสมบัติอะไรสัตว์โลกจึงเชื่อมันเอานักหนาถึงขับไม่ยอมรับความจริงอะไรจากธรรมบ้างเลยกิเลสหมดทั้งโคตแทพ่อแม่ลูกเต้า เหล่าหลานเหลนของมันจะมีกิเลสตัวใดโคตรแท้ใ ด, ดบ้างอุตริเกิดไปเห็นสวรรค์นิพพานแม้เพียงขณะสายฟ้าแลบพอจะมีแก่ใจมาบอกและชักชวนสัตว์โลกไปสวรรค์นิพพานกันบ้างมีแต่มันหลอกมันต้มตุนสัตว์โลกจุดลากสัตว์โลกให้ไปตกนรกทั้งเป็นทั้งตายเรื่อยมาแต่ต้นกาเนิดของมันโ น, นู่นทั้งที่มันปฏิเสธว่านรกไม่มีแต่แล้วก็มานั่นแหละจับสัตว์โยนลงหม้อ น, นรกทั้งเป็นทั้งตายด้วยความใจดํนาน้ําโสโครกที่สุด ไม่มีอะไรจะเป็นจอมหลอกลวงสัตว์โลกอย่างแยกยลยิ่งกว่ากิเลสชนิดต่งตงางๆความมุ่งหมายของกิเลสเป็นอย่างนี้คือถ้ามันจะบอกสัตว์โลกตามความจริงว่าบาปบุญนรกสวรรค์นิพพานมีสัตว์โลกก็จะตะเกกตะกายละบาปบำเพ็ญบุญเพื่อหลีกนรกไปสวรรค์นิพพานจากมันเสหมดมันก็จะขาดผลรายได้จากสัตว์โลกอย่างพินาศขาดศูนย์ฉะนั้นมันจึงปิดหูปิดตาปิดใจสัตว์โลกไว้อย่างมิด ต, ตัว ไม่ให้มองเห็นบาปุนนรกสวรรค์นิพพานนั้นได้เลยมันปิดไว้หมดดังนั้นแม้สิ่งเหล่านี้จะตั้งวางหน้าอยู่ก็ตามสาัตว์โลกจึงไม่มีทางรู้เห็นได้เช่นเดียวกับคนที่ถูกมัตตาไว้อย่างมิดชิดแม้จะนะําวัตถุหรือสีแสงต่างๆมาวางวางหน้าไว้ก็ไม่สามารถมองเห็นได้ฉะนั้นกิเลสมันผูกมัตตาใจของสัตว์โลกไว้ก็เช่นเดียวกันดังนั้นชาวพุทธเราจงพยายามแก้สิ่งมัตตาของมันออกด้วยการปฏิบัติจิตตะภาวนาเป็นสําคัญให้สติปัญญาเกิดภายในใจ จะพังม่านหรือกำแพงแห่งความมืดบอดที่มันปิดไว้ออกได้โดยลำดับจนหมดสิ้นไปมองเห็นบาปุลนรกสวรรค์นิพพานยางทะลุโ ป, ปร่ปปรงประจักษ์ใจหายหสงสัยโดยไม่ต้องมีใครมาบอกแหละหลังจากนั้นยังจะได้เห็นคนหลอกลวงของกิเลสวิชาต้มตุนของกิเลสได้อย่างชัดเจนหายสงสัยฟังสิห ล, ลานอยากฟังปู่พูดให้ฟังอย่างเปิดใจใครจะว่าบ้าปู่ก็ไม่โกรธให้เขาเพระาะทราบแล้วว่าเขาคนนั้นคือเครื่องมือทําลายของกิเลส ที่มันพาทำลายศาสนธรรมและทำลาย จ, จิตใจสัตว์โลกมามากตัวมากแล้วปู่จึงไม่หลงกลมันไม่ตื่นมันแม้มันจะยกมาทั้งโคดแส่มด่าปู่ปู่ก็ไม่โกรธนอกจากเจะหัวเราะขบขันเพลงกล่อมของมันที่ร่ายออกมาเพียงตื้นๆผิวเผินนิดเดียวเท่านั้นไม่ได้ลึกซึ้งกว้างกวางและแพรร้อนจับใจเหมือนศาสนธรรมอันประเสริฐเลิศเลือเหนือโลกทั้งสามเลยทั้งเป็นธรรมรื้อขนสัตว์โลกขึ้นจากนรกเมืองคนและนรกเมืองผีที่กเกเรตบตาปิดใจว่า สิ่งเหล่านี้ไม่มีมามากต่อมากแล้วบาป บ, บุญนรกสวรรค์นิพพานเหล่านี้เป็นของมีมาดั้งเดิมกิเลสทุกประเภทจะเสกสรรให้มีขึ้นและจะลบล้างทําลายให้ฉิบหายไปไม่ได้เพราะเป็นของธรรมชาติและมีอยู่ดั้งเดิมปราศจากสิ่งใดผู้ใดไปก่อไปสร้างไปปรงุงไปแต่งไปลบล้างทําลายบาป บ, บุญนรกสวรรค์นิพพานอยู่เหนืออํานาจกิเลสที่จะไปอาจเอื้อมทํำลายได้แต่อยู่ตามหลักธรรมชาติของตนหลานๆและชาวพุทธผู้เรียนและปฏิบัติธรรมอันเป็นธรรมยานาตร และสว่างกระจ่างแจ้งเหนือกิเลสทั้งปวงจงเรียนและปฏิบัติให้ถึงใจถึงธรรมอย่ามัวมัวม่วสูงอยู่ในห้องขังของกิเลสให้มันกดขี่บังคับและร้องเพงลงขับกล่อมให้เคริมหลับไม่มีวันตื่นจากหลับจากหลงอยู่ร่ําไปนักจะเสียใจให้ตัวเองภายหลังว่าภายหลังจะว่าปู่ไม่บอกปู่ใ้เห็นทุกข์ที่มันโยนให้แบกหามอย่างโล้นหัวใจไม่มีที่เก็บมาแล้วกลัวละหลานและชาวพุททั้งหลายจะแบกหามทุกข์ที่มันโยนมาให้แบกหาม ไม่มีวันปรองวางต่อไปตลอดอนันตการและไม่มีวันจบเส้นหลงได้จึงได้ตื่นแล้วตื่นเล่าราวกับว่าตะโกนบอกว่าอันตรายอันใหญ่หลวงมาแล้วรีบพากันหาที่หลบภัยโดยด่วนเดี๋ยวอันตรายจะเข้าถึงตัวที่หลบภัยคือศีลทานการกุศลทุกประเภทจงจับให้มั่นถ้าอยากแคล้วคลาดปลอดภยัยอย่าดื้อรั้นเชื่อกิเลสจนไม่ยอมฟังเสียงรำตะโกนบอกจงรีบฟังรีบตั้งตัวด้วยการประพฤติ ปฏิบัติธรรมเสียแต่บัดนี้จะไม่เสียการเวลาไปเปล่า